ขอความเจริญในธรรมจงมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอการ ท, ทารกะสุรก็สืบเนื่องกันมาโดยลำดับในวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่ท่านทั้งสองได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าโดยอ้างเหตุผลว่ามีธุระมากมีกิจมาก ที่จะต้องกลับไปจัดไปทำาะนเมื่อท่านเหล่านั้นหลีกไปแล้วพระผู้มีพระภาพเจ้าก็ได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่านายเปสหัสถาโรบุตรเป็นบัณฑิตแล้วก็มีปัญญามากถ้าก็นั่งอยู่อีกสักครู่หนึ่ง ช่วงเวลาที่ที่พระองค์จำแนกบุคคลสี่ประเภทสี่ประเภทที่ทรงยกไว้น่ะคือเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนขวนขวายในการเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนและขวนขวายในการเบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนทั้งตนเองและก็ทั้งบุคคลอื่นและขวนขวายในการเบียดเบียนตัวเองและบุคคลอื่นเดือดร้อน ประเภทที่สี่เนี่ยคืองดเบนจากการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนจากการเบียดเบียนบุคคลให้เดือ ด, ด, ดร้อนเพนราะเราห็นว่าบุคคลในสามประเภทแรกเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะแต่ทํามสมัยนี้มีไหม ม, มันก็มีเยอะนะเยอะที่ให้เป็นตัวอย่างได้แต่คนเหล่านี้ถ้าไปยกตัวอย่างต่อหน้าเขาเนี่ยเขาไม่ยอมเขาโกรธ มันเหมือนคุณเมานะฮะเราไปว่าเขาเมาไม่ได้เขาจะโกรธโอกาสที่เราจะติดต่อกับคนประเภทเนี้ยจึงติดต่อนั้นยากเพราะว่าใจเขาไม่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลใช้สติปัญญาในการมองในการคิดบางครั้งตอนเราไปเจอกับเขาเนี่เจอในคุกนะฮะไปเจอในคุกมันคุยกันง่าย แต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะาก็ยังติดคุกอยู่าั่นเองคือยังนึกถึงแนวอัจฉยวิทยาหรือทันทวิทยาที่เราใช้กันเนี่ยเราเรียนมาจากตะวันตกนี่มากและบางทีก็มองสุดขั้วเกินไปคล้ายๆกับคนชั่วไม่มีโอกาสดี เอ่ยก็ตัดสินในลนักษณะที่ปิดกั้นโอกาสที่คนจะกลับเนื้อกลับตัวบางครั้งบางคราวไปเอาคนเก่งนะที่พลั้งพลาดไปมาตีคุกจะตลอดชีวิตรือตั้งปถาหมัาโลกมันได้อะไรนะแต่เสียเนี่นก็ชัดเจนนะมึงก็เสียซ้ำซาก แต่ว่าการได้เนี่ยเราเราไม่ได้ในการประบีประนอมกันในเรื่องความคิดที่นึกถึงศีลธรรมนึกถึงธรรมะนะนึกถึงธรรมะมาเป็นเกณฑ์มาเป็นมาตรวัดแล้วก็ทํานองใกล้ๆกับว่าไอ้ของอย่างหนึ่งอ่ะมันมันเก่าแล้วมันใช้ในฐานะนี้อย่างไม่ได้มันก็ปรับสภาพใช้ไป ในกรณีอื่นๆของเรานั้นก็สามารถจะเป็นประโยชน์ได้บางคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าเราปรบับสภาพใช้ไปได้เรื่อยๆผลประโยชน์ที่ควรจะได้จากคนเหล่านั้นมันก็ต้องมีแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สรุปว่าความแนวในในลักษณะตกขอบในความคิดแนตกขอบเนี่ยมัน ม, มีทั้งสองแนว อยแน่หนึ่งในลักษณะที่คล้ายๆกับผิดอะไรก็ถ้าเป็นพวกเขาก็ต้องยกเว้นอันนี้ก็ตกขอบปีขอบหนึ่งถ้าผิดอะไรก็ถือว่าไม่มีโอกาสดีเนี่ยมันก็ตกขอบตกขอบปีขอบหนึ่งก็ทำให้สินทำขาดโอกาสในการทำหน้าที่ไม่ได้มีบทบาทร่วมในการ ใช้ชีวิตของบุคคลภายในสังคมก็กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือไ้นี่มันไปคาดหวังเรื่องศาสนาว่าทำยังไงว่าให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะเอาคนเข้าไปสู่ระบบการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญแก่คนดี เคยพบคำคาขวัญในหนังสืออะไระนานแล้วขจัดผ่านประสานมิตรประสิทธิธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้าวิธีการบริหารจัด ก, การที่ไม่ไม่ลำเอียงโดยคติข้อใดข้อหนึ่ง แต่ขจัดพานเนี่ยไม่ใช่ทําลายคนผ่านิชย์แต่ทำลายความเป็นผ่านิชคือความคิดที่เป็นผ่านนี่ยออกไปจากใจใน ต, ตัวคนก็เมืา่านออกไปจากใจแล้วมันก็เอาธรรมะเข้าไปมันก็กลายเป็นคนดีนะคล้ายๆกับที่พระเจ้าไปโปรดองค์ุลิมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทําลายที่ตัวองค์ุลิมาแต่ทำลายที่ความคิดทึ่เป็นพานขององค์ุลิมาเนี่ย ถ้าถามว่าความคิดกับองค์ุริมาลมันก็มันก็เหมือนกันนะที่ท่านเปตสะถามเนี่ยองคุริมาลอยู่ในประเภทที่ทําตนเองให้เดือดร้อนทำบุคคลอื่นเดือดร้อนก็แสดงว่าเดือดร้อนทั้งสองข่ายพระพุทธบาทที่ตัดกับองค์ุริมานเนี่ยตอนองค์ุริมาลบอกว่าสมณะหยุดก่อนทรานเจ้าบอกว่าตถาคตหยุดแล้วแต่เธอนะั้นทธยังไม่หยุด เราเห็นว่ามันจากความอยากให้หยุดเนี่ยมันมันมันสืบเนื่องมาจากความสงสัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นความอยากฆ่านะแต่ว่ไาลา่ไม่ทันมันกลายเป็นความสงสัยเอ้ทําทำท ำ, ทำไมมันมันไล่ไม่ทันคนเคยหนีเราเคยไล่เราเคยฆ่าได้ทั้งนั้นสต่เมณ่อน้าูนี้ก็เดินไปธรรมดาธรรมดามันทำไมเราล่าไม่ไล่ไม่ทัน ว่าในการเรียกใหหยุดก่อนเนี่ยที่จริงเรียกด้วยความสงสัยความคิดอยากจะฆ่าเนี่ยมันลดลงไปแล้วแต่เป็นความอยากจะรู้เพราะพอพพุทธเจ้ารับสั่งว่าปฐาคตหยุดแล้วแต่เธ อ, อยังไม่หยุดเนี่ยไอ้ความลุกไยมันเลยเพิ่มขึ้นความอยากรู้มันก็เกิดเพิ่มขึ้นไอ้ความอยากฆ่ามันก็หายไปแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การประทุษ ร, ร้ายสรรัตว์ แต่เธอนั้นยังไม่หยุดแต่ยังฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายสัตว์มีมือที่ชุ่มด้วยสัตว์ราชุ่มด้วยโลหิตของคนอื่นเราเห็นว่าความต้องสฝยเนี่ยมันมันพอเข้าใจดได้มันปัญญามันเกิดแต่เรียกเข้าใจอะ่ะพราเรื่องมาเรื่องเนี่ยเขาก็ทําให้สงสัยซะก่อนคือเปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตคนแล้วแต่แล้วแต่จะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะอย่างใล้ๆที่พระเวสสัดนดรท่านเปลี่ยนจิตของพระนางมัทสีนะเราเห็นว่าพระนางมัทสีออกจากขันธกุฎีไปด้วยความวิตกกังวลหวาดระแวงไม่มั่นใจเป็นห่วงลูกพันธภพัพฑ์จิตของท่านก็ไม่ปกติตลอด พอกลับมาไอ้สิ่งที่วาดไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆหรือลูกไมห่หาลูกไม่เจอมันเกิดความอยากรู้แต่นี่ความอยากรู้ในลักษณะนั้นเนี่ยมันมีความโศกอยู่เบื้องหลังมมีตกกังวลอยู่เบื้องหลังมันถ้าตอบตรงนั้นเนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้หรืออาจจะสลบหายไปเลย ผลเวชนดลยังเปลี่ยนจากความอยากรู้เนี่ยให้เป็นความโกโรธซะก่อนลักษณะของกิเลสเนี่ยกิเลสประเภทโลภเนี่ยประเภทอยากเนี่ยโทษมันไม่แรงหรอกแต่มันคลายช้าแต่กิเลสประเภทโกโรธเนี่ยโทษมันแรงจริงแต่มันคลายได้เร็วผลก็ส่ง รับสั่งลักษณะให้โกรธคล้ายๆกับกล่าวหาไปครบชู้สู่ชายไปอยู่กับนักสิทธิวิทยาทอนคนท่านอะไรก็ว่ากันไปคือให้รู้สึกโกรธซะก่อนพราะโกรธเนี่ยไอความอยากรู้ในมันหายแล้วก็เสียพระไถยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยความโกรธก็สงบอยู่ในสภาพที่จะฟังได้ก็รับสั่งเราแล้วก็ฆ่าพระไถยนะ นี้พี่จริงเป็นการบริหารจัดการในกิเลสภายในจิตพระองค์กริมานเองก็วิจารกาิจานาสนั้นแต่อย่าลืมว่าความคิดขององค์กริมานที่ได้คิดมันก็คิดแนวเดียวกับท่านเปิดศัเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันองค์กริมานก็คิดแนวอุปมาอุปไมย เ, เหมือนกันแลน้วในสุดก็ทิ้งดาบแล้วเข้าไปกราบแทบบาดพระพุทธเจา้า เพื่อจบลงด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นพระหันในตอนหลังเพราะพอท่านท่านเปิดสะเนี่ยจังหวะจังหวะของท่านเนี่ยคือท่านคือประเด็นมันถูกเบี่ยงออกมาเบี่ยงออกมาว่าคนสี่ประเภทนียชอบประเภทไหนแล้วก็เมื่อท่านแสดงความคิดความเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการเพื่อปัญญาที่พยายามอธิบายอธิบายเหตุผล เราแยกชัดเจนมาสามประเภทแรกเนี่ยไม่ชอบแต่ชอบประเภทที่ที่สี่ทีนี้ถ้าพูะเจ้าได้อธิบายขยายความว่าประเภทแรกเนี่ยมันได้สาระ ย, ยังไงประเภทที่สองได้สาระ ย, ยังไงประเภทสามได้สาระยังไงประเภทที่สี่ดีดียังไงแล้วก็กลายเป็นให้ทางเลือกอีกชั้นหนึ่งดังนั้นจึงรับสั่งว่า ถ้านายเปสหัตถาโรบุตรพึงนั่งอยู่ครู่หนึ่งช่วงเวลาที่เราจำแนกบุคคลสี่พวกนี้โดยพิจารณาแก่ข่าวเนี่ยกขาจะเป็นผู้ประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการฟังโดยสังเกตเพียงเท่านี้มันเป็นการปูพื้นฐานไว้ภายในใจของท่านผลประโยชน์ใหญ่ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิม ไม่เท่ากับที่นั่งต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็เวลาก็คงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไงนะฮะเวลาก็ไม่มากอะไรเพราบางครั้งบางคราวเนี่ยเราสูญเสียโอกาสสูญเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าแปลงความสําคัญแก่เรื่องซึ่งมีความสําคัญน้อยกว่าก็ <1> 1> กระสั่งว่าแม้ด้วยการฟังโดยสังเกตเพียงเท่านี้นายเปสสหัตถารหบุตรก็จากอย่างประโยชน์ใหญ่พิสูตทั้งหลายก็กลับทูนะฮะว่าเวลานี้มันก็ถึงการเวลาที่พระพุทธเจ้าจะทรงจับแนกแสดงนะบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้โดยพิสดารพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพิสูตต่างหลาย ได้ฟังต่อพระบุมเภาคโดยพิสดารแล้วก็จะทรงจำไว้นะฮะความมาเป็นคือท่านที่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นพันธาคาริกะปริยัติคือเป็นการศึกษาเรียนรู้แบบขุด ค, ครังหรือวารัตมุนตรีว่าการกระสกการคลังมันก็หาเงินนะทองไว้เพื่อเพื่อแผ่นดินนะคือไม่ใช่เพื่อตัวเอง การศึกษาของพระหังพระหังท่านก็ต้องเรียนนะนะต้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าเรียนแบบขุนครั้งเรียนเพาาื่อสัพย์สมบัติของแผ่นดินเอาไว้ของศาสนาเอาไว้เพื่นผู้โต้พุทธเจ้าก็ส่งจําแนกประเภทแรกก็คือประกอบขวนขวายในการทําตนให้เดือดรอ้อนทําทตนให้เดือดร้อนและประกอบขวนขวายในการทําตนให้เดือดร้อนนี่เป็นยังไง อันนีงยกเอาวิถีชีวิตของนักบวชประเภทอัตตกิลามัฐานโยคคือประเภททรมานร่างกายหยุดเบียดตัวเองนะฮะทางปัญหาแก่ตัวเองคืตอต้องการให้จิตสงบแต่ว่ากายในการสับกระสายปรกายกระสับกระสายจิตไม่สงบหรอกเพื่งสงบด้วยกันกายสงบวิญญาสงบนจิตสงบ สะทอดจากข้างในก่อนข้างนอกก่อนก็ตามนะฮะต้องต้องเชื่อมโยงกันว่าในวิธีการคิดในสมัยโบราณเนะี่ยมันก็มีการคิดอยู่แล้วก็เดือนนี้ก็ก็อยู่นะฮะรับสั่งว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลื่อยทอดทิ้งมันญาติเลียมือเขาเชิญให้มารับพิษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุด มายินดีรับปรกษาที่็นนำมาให้ในพิสดานมากนะพิสดารมากเลยเกี่ยวกับการกินอย่างเดียวนี่นท่านวุ่นไปหมดเลยวิธีเหล่านี้ที่จริงพระพุทธเจ้าเคยไปทดลองปฏิบัติรับสั่งแสดงไว้ในมหาเสีนาทสุก็เรียกว่าทดลองมาแล้วทุกอย่างคือคือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างต่างพวกนี้เข้าใจนะ เข้าใจว่าจิตเนี่ยมันมาจากปรมัตตมันหรือมหาตามันหรือพรหมมันมก็เลยจะยุคแต่สมัยแล้วก็ถูกขังไว้ในประ krit คือกายเนี่ยกายเนี่ยเป็นกรงขังของอัตามันวันการที่ทำให้อัตามันเป็นอิสระกลับไปสู่ปรมัตตมันหรือมหาตามันได้เนี่ยก็ต้องทรมานร่างกายวันวิธีการทรมานร่างกายของท่านเนี่ยวิจิตพิสดารเลยนะ สรุปว่าเช่นเช่นสมมติว่ามีอาหารชนิดเดียวกินอาหารชนิดเดียวบางพวกินเปลือกไม้ก็มีนะฮะกินเนื้อไม้ก็มีไม่รู้กินมาทําอะไรก็เช่นว่ามีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหรายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีข้าวไม้เป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างบางทีกินกี้วัวก็มีนะฮะมีโคไมเป็นพักษาบ้างมีง้าวและผลไม้ในป่าเป็นพักษาบ้าง แล้วก็บริพบริพพ์ผลไม้หล่นเยียวยาอัตรภาพอันนี้ก็แลแ้วแต่แล้วแต่ปกส่วนมากเป็นผู้ฤษีนะฮะเป็นผฤษีฤษีนี้ก็จะแยกออกไปเป็นเจ็ดเพบเจ็ดแปดประเภทด้วยกันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงก็คือว่าวิถีชีวิตแนวนี้ทุกวันมีให้ดูในประเทศอินเดียแต่ใครต้องการจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะพบเห็นะ ยังคิดแต่มันเป็นเรื่องควางฝันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทุนเกิมายังนึกว่าทำยังไงว่าเราจะแปลคมพีพระเวทออกมาได้เพราะว่าพระเวทเนี่ยคือเราต้องเอาคนไทยที่จบทางสันนิษ์อังกฤษจบทางสันนิษ์อังกฤษเลยแล้วแปลจากตัวสันนิษฐ์อังกฤษอย่าไปแปลจากอังกฤษแล้วก็แปลออกมาแล้วเราจะ เข้าใจอะไรอีกเยอะเลยเพราะว่าเวลานี้มันก็อยู่เป็นผู้ภาษาภาษาอังกฤษอยู่แต่พวกแขกเองก็ไม่เคยเข้าใจอะไรเท่าไหร่มันก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรที่น่าศึกษาเพราะว่าถ้าเราศึกษาแนวนี้เราจะลึกนะคือจะลึกกว่าวัฒนธรรมทางด้านแม่น้ําไนก็ดีทางแถบเขาลิมปัดก็ดีนะทางประเทศจีนก็ดี มน้ำยังสีเกียงรูมน้ําคงคาเนี่ยอะไรจะทำเขาสูงมากเรื่องแบบนี้แต่ว่าพวกเหาเนี้ก็ยังอยู่เยอะเลยทีนี้มาพูดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะแต่งเนื้อแต่งตัวนะั้นพูดถึงเรื่องกินคนจะไปนั้นก็อนุ่งป่านบ้างนุ่งผ้าแกมกันบ้างนุ่งผ้าห่อศพ บ, บ้างผ้าบังสกุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้างมีผ้าคากองบ้างผ้าเปลืกปอบ้างเป็นต้นก็เยอะเลยนะฮะก็สรุปว่าสารพัดที่ท่านเอามาทำเป็นผ้าเนี่ยแล้วก็พูดด้วยไปพูดื้วยไปจนถึงการใช้เรียบทเรียบท่างๆในท่านก็ใช้เช่นว่ากมผมเนี่ยแทนที่จะโกรธเนี่ยไม่โกรธคือถอนผมทีละเส้นทีละเส้นก็ถอนได้เสี้ยนตาลมว่ามัน ทรมานะทุรักทุกเลเยอะแล้วก็บางทีก็ยืนใช้เลยบทยืนบางทีก็ไม่ยอมใช้อาัศานะบางทีก็นั่งกระโยงนั่งกระโยงนี่คือนั่งยองยองน่ะนั่งยองยองแบบอาจารย์คูลเขานั่งนีแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเขาเคยเห็นว่าเขาก็มีผ้าคาดนั่งกระโยงแล้วก็ประกอบความเพียรในการกระโยง คือเดินกระโยงแล้วก็เหยียบพื้นไม่เต็มเท้าเป็นวิธีฝึ ก, กเป็นวิธีทรมานร่างกายแล้วก็นอนบนน้ำบ้างทําไมการนอนบนน้าบ้างอาบน้ําวันละสามครั้งหรือว่าลงไปแช่น้ําหรือว่าทําตัวเองให้เดือดร้อนในวิธีการต่างๆนี่ก็เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็รักสั่งว่า วิสูจทั้งหลายก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นในเดือดร้อนประกอบขวนขวายในการทำผู้อื่นในเดือดร้อนเป็นเช่นไหนวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปพวกอัจรกรรมทั้งหลายนะปูกเบียดเบียนประทุษร้ายสัตว์แล้วก็เน้นไปที่พวอง่ายว่าผิดศีลข้อปนานาธิบาตก็ปฏิบัติการก็รุนแรงนะฮะแล้วพวกเหล่านี้ที่จริงไปไปเข้าใจว่าเป็นวีรกรรม ที่จริงเป็นบา ป, ปรกรรมแรงนะฮะปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือได้ได้เคยอ่านหนังสือพิมพ์ริชาร์ดเกียอะไรเนี่ยเป็นดาราภาพยนต์ออลีวูดเขาเขานับถือพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธที่นับถือแนวของวัชรยานของท่านตะไลลัมะก็สะแสดงความคิดความเห็นแต่ว่าถูก คนกรดแค้นริงชังมากเพื่ออธิบายเห็นว่าวิธีชีวิตของคนที่ประสบผลยังงั้นยังงั้นยังงั้นเนี่ยมันเพราะกรรมยังงั้นยังงั้นยังงั้นก็ว่าไปแล้วก็ปรากฏว่าเขถูกต่อต้านเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาไปคิดว่า น, นั่นคือวีรกรรมอนะจะรับสั่งว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะเลี้ยงชีวิตบางค่าสุกรบังคนก ค่าเนื้อเป็นคนโหดเที่ยมเป็นคนข่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนปกครองเรือนจำหรือบุคคลเราอื่นบางพวกที่ทํางานอันธารุณพวกนี้ก็เบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนอันเราจะเห็นว่าอาชีพที่เรือนจําเนี่ยดีมันสะสมสะสมวิงสาคือความเบียดเบียนแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกรุณาได้แล้วก็จะเป็นบุญเหมือนกันนะ คือมันก็อยู่ที่ความรู้สึกตั้งแต่ปศ .2,104 ถึง 2,120 เนี่ยอาตมาไปบรรยายออกลุ่มนักโทษที่เรือนจำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นันะ้นตั้งแต่สร้างลาดยาวสมัยจอมพลสฤษดิตั้งแต่พวกอะไรก็เรียกว่าอันภ า, านภัยสังคมอะไรเนี่ยนะตลอดทั้งพวกคอมมิวนิสต์เราก็ไปเกี่ยวข้องคนกลุ่มนี้อยู่เยอะ เราเข้าไปแล้วเราก็สงสารเหราะฉะนั<อ>้น พ, <อ>พอเราเปลี่ยนจากความรู้สึกอย่างอื่นมาคิดแบบพระนะครับก็สงสารเขาล้วก็คุยกับเขาด้วยความเป็นคล้ายๆกระยาดพี่น้องก็คุยกันอยู่บางทีไปอยู่ทั้งครึ่งวันนะี่ยนะคนที่มีปัญหามากๆเราก็เรียกมานั่งคุยกันผู้ภูมิเขาก็มาป้อนข้อมูลอะไรให้เราก็เรียกมานั่งคุยกันกกนันนนน้นก็เข้าใจอะไรอยู่พอสมควรได้ว่า พอมามันพอเป็นราชาคณะมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในเรือนจำก็ได้แต่คนเหล่านี้เขากเกษียณไปหมดแต่คนรุ่นหลังเขาก็ไม่รู้จักเลยก็ไม่ได้ไปก็เป็นบรรยากาศที่คือยังนึกว่าถ้าเราใช้แนวของเมตานำเนี่ยนะะแล้วก็ให้อภัยอดทน กล่กาวคนเหล่านั้นฝึกปืออาชีพให้แล้วก็รัดเข้าไปจัดการด้วยวิธีการต่างๆที่ทํายังไงว่าเขาอยาให้เป็นพิษเป็นภัยเนะี่ยแล้วเขาช่วยตัวเองได้คือไม่เบียดเบียนให้ให้มาอยู่ประเภทที่ประเภทที่สี่นะฮะทำยังไงให้เขามาอยู่ประเภทที่สี่ได้แต่ว่าต้องลงทนุนลงแรงพอสมควรทีนี้พวกที่ทาให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่าย กรรับสั่งว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราช า, าหากริส์ผู้ได้มูรทาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพระมาสารก็ดีเป็นราชาหรือเป็นพรหม์นั้นนะแล้วก็โปรดให้ทำโรงบูชายันขึ้นนะด้านต่างๆแล้วก็มีพิธีกรรมในการบูชายันนะก็เราจะเห็นว่าแนวตัวเนี้ยทำตาให้คิดตะวันก่อนในตอนที่เขา เลือกตั้งประธานาธิบดีที่สหรัฐเนี่ยคือเคยอ่านประวัติของท่านประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยอดบูตรี่ยที่จริงก็ชื่นชมเขาเนะฮะแล้วก็นึกมาตั้งแต่เริ่มจะเลือกตั้งเนี่ยบาคนนี้ก็ได้อีกอะเพราะว่ารูปคลิขเขาแล้วก็เหมาะสมก็มีภาวะผู้นําสูงนะฮะแต่นึกดูโอ้ตาแหน่งนี้มันสมัยเป็นผู้ว่ามณลรัฐเท็กซัสเนี่ยก็ปรากฏว่า ไปลงนามประหารคนไปเยอะแล้วก็ตอนเขาเป็นประธานาธิบดีนี่ก็โอ้มีเรื่องตายเยอะเลยเพราะฉันแหละตาแหน่งสถานะเหล่านี้มันก็อยู่กับการมองนะฮะว่าทําไมทําไมพระเตมีจึงไม่อยากเป็นกษัตริย์เพราะพระเตมีทะนุสัจได้พอลืมตา ม, มองดูเพดานเอ้ามาเกิดที่นี่อีกแล้วรึกษาได้เกิดที่เดิม ก่อนต่อจากนั้นก็ตกนรกหมกไหมอยู่นานนะฮะแล้วก็รึกษาไดนะ้ก็มาเกิดในเมืองเดิมราชวงศ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ในเมืองเดิมก็มองย้อนกลับไปว่าตรงเนี้ยเป็นเหตุให้เราทุนทุกทรมานในนรกเพานั้นท่านก็ไม่อยากที่จะเป็นกษัตริย์แล้วเลยก็ต้องมีบายวิธีต่างๆอย่างที่เรารู้กันเนี่ยก็เราจะเห็นว่าแนวตัวเนี้ยมันมัน ก็น่าฟังไน่าน่าน่าดูไว้ว่ามันมีกิจกรรมในสมัยนั้นก็นึกถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีหมาชนบทสิบกแคว้นแล้วก็มีแคว้นพิเศษออกไปอีกอีกหาแคว้นนะฮะรวมแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแคว้นก็เป็นคล้ายๆกันนครดัตแต่ก็ใหญ่นะคือประเทศแต่ละประเทศเขาก็ใหญ่ เห็นว่าอังคมามคตกาสีโกศลวชีบรรละเนี่ยเจตีวังสะเจตีวังสะนี่ใหญ่ปุกุรุ ป, ปัญจละก็ใหญ่เมืองใหญ่ใหญ่ก็เยอะก็ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการต้องเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไปเบียนคนอื่นเดือดร้อนมันจึงมีเยอะนั่นนี่ก็ส่งยกตัวอย่างว่าในพิธีบูชายันก็บอกว่า ทรงจำเริญพระเกศาและพระมัทสุทรงนุ่งหนังเสือทั้งเล็บทรงทาพระกายด้วยเนื้อใสและน้ำมันงาทรงเกาพระปิดสดางด้วยเขามฤตนะฮะสัตยะและ้วเข้าไปยังโรงบูชายันพร้อมด้วยพระเมษีและพรามบุรุษิบันทมบนพื้นดินมีไดลาด้วยเครื่องลาดที่ทาด้วยโคไม่สดน้ำนมในต้วหนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนตัวเดียวมีเท่าใด ประชาชนก็ส่งเยียวยาแต่ภาพด้วยน้ำมนต์น้ำนมนเท่านั้นน้ำนมในต้ากที่สองมีเท่าใดพระเมศศีก็เยียวยาด้วยแต่ภาพด้วยน้ำนมเท่านั้นน้ำนมในต้ากที่สามมีเท่าใดพราหมณบรหิตคือสรุปว่าไปแย่งไปแย่งน้ำนมลุโควินหมแต่และพวกที่เข้าไปประกอบพิธีกนะ็ก็ทรงสะท้อนยันอย่างหนึ่งเพราะยันจริงมันมีอยู่หลายยันนะครับ อย่างยันที่รับสั่งแสดงในยันยสูตรมันก็มีอยู่สี่ห้าประเภทด้วยกันในการต่อมาพระพุทธเจ้ามารับสั่งแปลงเป็นราชสังคาห์แล้วก็ถือพระพุทธปฏิบัติมาเป็นราชนิติในประมาากษัตริย์ของไทยนะเราจะเห็นว่ามีทศพิธราชธรรมมีจักรวัติวัตดมีราชสังคหาเพระาะราชสังฆาหเมื่อก่อนเป็นยัน เป็นยันที่มีการบูชาสืบต่อกันมาโบราณมากพระพุทธเ จ, จ้ารับสั่งเล่าว่าเป็นเป็นการหักมุมในสมัยของพระเจ้าโอกะกากราชเมื่อก่อนก็เป็นเป็นราชสังหะแต่ว่าโดนพวกพราหมณ์เขาแปลงเป็นชื่ีมาของผลประโยชน์เพราะว่าคนชลาดแกมโกงในจะหาประโยชน์จากพวกมายันเหล่านี้นได้เยอะสมมติว่าเป็นการฆ่าคนในปริสระเมทะคือยันฆ่าคนเนี่ย ระนึกดูว่าผลประโยชน์นี่มหาศาลมากรเรียกสินบาทสินบนเป็นการข่มขู่คุกคามอะไรต่างๆสารพัดเอาไปใช้ผลรุท้ายคนที่ถูกฆ่าบูชายันมันไม่ใช่คนรวยหรอกก็คนจนไม่มีสตางค์ให้สินบนเพราะในปัญหาคอร์รัปชันโกงกินริษนาทาเร่นเอารัดอเปรียบเนี่ยธรรมชาติของสัตว์โลก ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าช่อราดบังหลวงล่อหลวงประชาชนก็ธรรมชาตินะธรรมชาติกองสัตว์โลกแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็แล้สั่งว่าลูกโคเยียยาอัตภาพโืยน้ำนมที่เหลือพระราชาหรือพราามนั้นจัดอย่างนี้ว่าเพื่อต้องการบูชา ย, ยันจงฆ่าโคผู้ประมาณเท่านี้ลูกโคประมาณเท่านี้ โคตัวเมียประมาณเท่านี้แพะประมาณเท่านี้มาประมาณเท่านาสัตว์เยอะเลยนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําพิธีประกอบผลยันต์ต่างๆแล้วก็อกคนเนี่ยคือบางทีก็ฆ่าคนนะฆ่าฆ่าทาสฆ่ า, า, ค, า, ค, าคนชายฆ่ากรรมกรนะพอถูกอาญาเหล่านั้นคุกคามพวกนั้นก็ร้องห h มร้องไห้เสียวเสียใจ อันนี้คือยันพวกอะไรกรกปุริสสเมธาก็คือค่าคนนะสรุปแล้วว่าปุริสสะเมธะคือค่าคนและสัตวสสะเมธะก็คือค่ามา้าบุญชายันมา้าแพะแกะพวกสัตว์สีเท้าทั้งหลายเนะี่ยฮะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าส ม, มาปาสะคือเป็นการลอดบ่วงก็มีพิธีค่าทั้งนั้นนะฮะว่าจะไปยะก็เสร็จแล้วก็จะดิมมสองแล้วก็ดืม่มแล้วก็สัพพเมธะอันนี้แรงคือค่าหมดเลย แต่ไปเมทะนี่แร ง, งก็ในราชสังฆาห์เขาไม่เอามาไว้ตแต่ตอนพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเนี่ยอธิบายดีหมดนะทั้ทงทงทั้งห้าข้ออธิบายดีหมดแล้วก็น่าจะใช้เป็นอย่างยิ่งอะ่ะยังนึกว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลประเทศไหนก็ตามนะฮะนํามาดูที่ว่าราชสังฆห์เนี่ยถ้าเราเอามาบริหารจัดการให้เป็นเนี่ยมันจะได้ บุคลากรที่มีคุณภาพทำงานมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบสูงซึ่งเราก็มีปัญหาปรนะชากรแม้แต่ท่านนายกเองวันก่อ น, นก็เคยบ่นว่ารัฐุนตรีไม่ค่อยช่วยแบ่งเบาภารกิจเพราะเราขาดเราขาดขาดคนคนเราเยอะนะฮะจริงเราก็ไม่มีคนเราก็ขาดคน รศัดสิท์เมตาเนี่ยก็คือการสั่งส่งเสริมงานอาชีพต่างๆที่มีความหลากหลายยังไงก็ตามอาชีพมันมันหมุนไปเป็นตามกระบวนการเข้ามาแต่เรื่องแต่เรื่องเนี่ยเวลานี้ก็มีวิชาการต่างๆเข้ามาประกอบเจอ็แล้วก็สัมมาปาสะเนี่ยเป็นงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานสังคมสงเคราะห์เจ้นการให้ทุนแก่รัษดอนอะไรละ่ะ พวกโอทบพวกอะไรอ่ะสามสิบบาทรักษาทุกโรคหรือหรือแม้แต่ว่าเรื่องตำบลอะไรต่างๆเนี่ยคือที่จริงถ้าถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลประโยชน์ต้องย้อนกลับนะแล้วก็วายชักพยาธิจริงก็พึนงานประชาสัมพันธ์การชี้แจงการให้ข้อมูลการให้ข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็สัพเพมิ tha ในที่จริงก็ เป็นการขจัดอุปสรรคปัญหาอันตรายทั้งหลายซึ่งเวเนี้กลุ่มอำนาจอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันมีเยอะในโลกเนี่ยแล้วก็อิงอาศัยเชื่อมโยงกันผลท้ายก็ทำอะไรกันไม่ก็ได้ในประกาศเป็นนโยบายเป็นอะไรแต่ใรก็ตามพะตึกกลุ่มพวกนี้มันมหาศาลมากกลุ่มคนกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเงินกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มขา ย, ยงใหญ่ก็เยอะ ผลุธายมันก็ต้องอิงอาศัยกันทำไม่ได้ตัวนี้ท้้งแลแต่ว่าเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ต่อไปก็ส่งแสดงถึงพระพุทธคุณเป็นแนวเป็นแนวที่ทรงแสดงในในทีคณิกายนะฮะในที่คณิกาโดยเฉพาะย่างยิ่งเกิดสีละคันธวัเนี่ยมันเป็นการ พลกโลกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งคืออาการอุบัติของพระพุทธเจ้าเนก็เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนนําไปสู่โลกด้านหนึ่งก็คือเดินไปบนเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกลุ่มที่สี่ไม่ใช่ศีลนะี่ยอยู่ในกลุ่มที่สี่ทีนี้ธรรมะเนี่ยมันเลยกลุ่มที่สี่ละเป็นการทําประโยชน์ แกตนเองและทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ระจายออกไปเรื่อยนะฮะกระจายออกไปเรือยกว้างขวางออกไปเรื่อยทั้งสมาธิก็กว้างออกไปนะปัญญาก็กว้างออกไปที่จริงแล้วเนี่ยยันได้เคยบอกว่าถ้าเรามองภาพโดยสรุปง่ายๆคืออย่าไปคิดให้มันรุงรังนะไปคิดรุงรังมายุ่งคือโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิ ต, วตเราจะมองจาก มิติของศีลสมาธิปัญญาก็ได้เราจะมองจากมิติของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ได้มองจากมิติของปัญญาบริสุทธิ์กรุณาก็ได้ก็คือกันเน่ยเพียงแต่ว่าเขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันแต่นั้นเองจะเอาอะไรก็ได้เช่นเอาศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลก็คือการงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเอง ให้เดือดร้อนงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนแล้วก็งดเว้นจากการขวนขวายในการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องแต่พอถึงธรรมะเช่นสมมติวศีลข้อที่หนึ่งก็พอถึงธรรมะก็คือเมตตากรุณาจนถึงยีรีโอตปะนะมันก็ทําประโยชน์แก่ตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นโลกธาตุเนี่ยมันเปลี่ยนสําคัญว่าโลกธาตุเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากความเป็นเราเป็นเขา มาเป็นเรากับพวกเราพอเป็นเรากับพวกเรามันก็เกิดเมตตาจิต<ส><อ>เกิดความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมกันเป็นพวกเดียวกัน<ส>อย่างเนี้ยอย่างเหตุการณ์ทางสามจังหวัดภาคใต้เนี่ย<ส>พลิกจิตให้มารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราจะนับมาจากอดัมก็อีบ ก, ก็ได้นนํามาจากตรงไหนก็ได้โดยอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่วิธีคิดเราคิดให้เป็นศัตรูกันก็ได้คิดให้เป็นมิตรกันก็ได้ อยู่ติการคิดถึงนั้นนะอย่างพม่ากับไทยเราได้เคยรบกันในรวัติศาสตร์ได้เคยรบกันทุกวันเราก็เป็นมิตรกันแล้วก็ไปเรียนอย่างพระนี่ก็ไปเรียนด้วยกันพระไทยไปเรียนกับพม่าเยอะพะม่าก็มาเรียนในเมืองไทยเยอะคำแหงเนี่ยลาวเนี่ยที่จริงก็คือยังนึกว่าเออสัมพันธ์สมัยตรีระหว่างศาสนาเนี่ย รัฐบาลเราใจกว้างนะใจกว้างพอแล้วก็ทำยไงคือเอาพระเนี่ยเราอย่าลืมาพระเนี่ยจะเป็นผู้นำของสังคมในพมา่าในลาวในเขมรนะเราพระเ่าเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์เราเยเปิดหมหาวิทยาลายัยึ้นมาเลยนะฮะเป็นหมหาวิทยาลัยนานาชาติเป็นหมหาวิทยาลายัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเลยเอาคนเหล่านะั้นมาเรียนด้วยกัน มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นครูบาอาจารย์กันสิกันมาเป็นพวกเดียวกันแล้วคนเหล่านั้นก็กลับไปแล้วก็จะอยู่เป็นพระก็จะสึกก็ช่างเขาแต่ว่าน้นคนเหล่านั้นคือคนของเราคนของเขาเอามาเป็นเป็นคนของเราเลยก็เคยที่เป็นพวกเขาก็กลายเป็นพวกเราเราคนพวกเดียวกันเราแก้ปัญหาได้เยอะแต่แก้ปัญหาแบบปืนอย่างเงี้ยยิงอรปังปังปงปงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก แก้ปัญหาให้ทาวรเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาเอาคนมาเป็นพวกเดียวกันอย่างน้อยคนต้องอยู่ระดับศีลแล้วก็ระดับธรรมะเนี่ยถ้าระดับธรรมะได้แล้วก็จะเยี่ยมเลยนะระดับเมตตาระดับไมตรีเนี่ยเพราะงั้นตัวเนี้ยมันก็ต้องมีแรงกระตุน้นมีแรงกระตุ้นที่มีความรู้สึกร่วมกันยอมรับในจุดตรงนี้ยอมรับอะไรก็ได้ยอมรับความเป็นชาติก็ไดศา ส, สนาก็ได้นะพระมหากษัตริย์ก็ได้ก็แล้วแต่ ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในการทําตนให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อนไม่ประกอบขวนขวายในกตารทำบุคคลอื่นดเดือดร้อนผู้เพศที่สี่นะเขาไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นสเสวยแต่สุขมีตนเป็นดังพรมอยู่ในปัจจุบันเป็นไฉน ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยมันแสดงโคลมาหละของพระเจ้ายกระดับขึ้นไปโน้นเลยยกระดับขึ้นไปสุดยอดแหละคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหันทั้งหลายได้เพราะอะไรเพราะว่าคาแต่ละคาเนี่ยมันไม่สนิทคือคือเช่นคำว่าไม่มีความหิวไหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นสวยแต่ความสุขเนี่ย คือถ้าระดับอื่นมันสัมผัสได้ไม่ลึกพอเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปเริ่มต้นมาที่พระหานตสมาสมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงพระองค์นะหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือเราจะเข้าไปสู่เส้นทางของสมาทิฏฐิเมื่อจะเริ่มต้นจะตรงนี้รับสั่งแสดงข้อความตรงนี้จะ เป็นข้อความเดียวกับในพะสูจิ์ในทีกนิกายตอนที่ทรงแสดงเรื่องศีลขันธวัชนะฮะว่าได้จุนศีลมาศีลมชิมศีลก็รับสั่งว่าดูก่อนพิกูจน์ทั้งหลายประตาฐาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นอรหันตสัจรูดีสัรูชอบโดยพรุงเองสมบูรณ์ในวิชาได้เจรณ ะ, สะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสด า, าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแก่กายธรรมคือพุทโธกับพระกวาเนี่ยก็สวนมากก็แล้วแต่จะแปล ตามปกติเวลนี้พุทโธเราก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้ท่านก็แปลเฉพาะเบิกบานหรือผู้จำแนกแกจกจ่ายธรรมได้จริงบทพระกวาร์นี่แปลได้หลายอย่างแปลผู้มีโชคก็ได้เป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมก็ได้แปลว่าเป็นผู้มีประกอบด้วยพระธรรมหกประการก็ได้แล้วพระถาคตพระองค์นั้นคือหมายถึงพระตถาคตตถาคตเนี่ยเป็นคําที่แปลอุู่แแปล ไปตามคำนะก็คือมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะหรือมาอย่างที่มาก็ไปอย่างที่ไปแวพระตถาจารย์อธิบายไว้เป็นแปดยนยะด้วยกันนะตรงนี้ถ้าหาก็จะเจาะลึกแล้วก็พิจารณน่นะฮนะแต่ว่าเราคงจะไม่ต้องเจเาะหรอกก็รู้สึกว่าตอนต้นๆเนนะี่ยเคยพูดมาบางช่วงบางตอนแต่ว่าข้อความตรงนี้ยังไม่เอามาทั้งหมด แล้วก็รับสั่งว่าพระตถ า, าคตพระองค์นั้นทรงทําโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วนี่เป็นการแสดงถึงโลกรเราจะเห็นว่าโลกในตามปกติมันแปลว่าสิ่งที่แตกสลายไปนะฮะสิ่งใดที่แตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเพราะในที่นี้ทรงเน้น ถึงสัตวโลกนะเพราะว่าการเทศน์เนทศกับสัตวโลกคือบางทีเน้นที่โอกาสสโลกเช่นดวงดาวทั้งหลายบางทีก็เน้นที่สังขารนะและสังขานี่ก็อาจจะย่อยเป็นอายตยตนาโลกเป็นขันธ์นาโลกเป็นธาตุโลกคือร่างกายเราเนี่แต่และหน่วยเนี่ก็แยกเป็นโลกได้ใช่ไหมก็เรียกว่ารูปสติติโลโกโสิ่งใดย่อมแตกสลายไปสิ่งนั้นก็เรียกว่าโลกแต่ในที่นี้ก็สรงเน้นที่สัตวโลก โลกโดยทั่วไปภาษาที่ทรงใช้ในกรณีเหล่านี้ก็เทวโลกมารโลกปรหมลโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วสรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามและเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามนะทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในทางกลางงามในที่สุดบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงนะันนี้ก็ก็เป็นงาน เป็นเป็นพระพุทธคุณแล้วเป็นพุทธกิจเป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าตราะอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคือท่านที่ศัตรูดีศัตรูชอบโดยโร่งเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัตรูตามด้วยตอนพระพุทธคุณก้าวบดเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงคุณสมบัติของผู้ที่ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยโร่งเอง เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงการทำงานภายใต้ของปัญญาบริสุทธิ์มีเมตตมีการุณาตรอสรรพสัตวเพราะนั้นก็ท่านก็อธิบายว่าทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางงามในที่สุดทรงประกาศพระมรรจันร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญช น, นะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่ก็คือภารกิจในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า ู้องฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในบันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี